เรื่องภิกษุ60สรูปกับมาติกะมหาอุบาสิกาพระบรมศาสดาประทับในพระเชตวันแคว้นโกสลทรงพรารบภิกษุ60สรูปตำบลแห่งหนึ่งในแคว้นโกสลชื่อมาติกะคามอยู่ใกล้เชิงเขาภิกษุ60สรูปเรียนกรรมมัทธานในสำนักพระศาสดาแล้วไปสู่บ้านนั้นเพื่อบิณฑบาต มหาอุบาสิกาแต่ละบ้านต่างนิมนต์ให้อยู่จำตลอดสามเดือนพิสษุทั้งหลายรับคำนางได้เตรียมวิหารถวายพิสุตทั้งหลายเหล่านั้นพิสุตทั้งหลายทำกติกาไม่ควรยืนนั่งในที่เดียวกันสองรูปแต่เวลาเย็นและเช้าที่พิขาจาร์แต่นั้นจักรวมกันเมื่อไม่ภาสุให้มาตีรักังกลางวิหารนี้วันหนึ่ง มหาอุบาสิกานำน้ำอ้อยและเนยใสมาสู่วิหารพร้อมด้วยทาตกรรมกรตอนเวลาเย็นไม่เห็นภิกษุบุรุษทั้งหลายจึงตีระฆังสัญญาณภิกษุต่างเดินมาจากที่แห่งหนึ่งของตนของตนนางคิดว่าภิกษุทำความทะเลาะ ก, กันจึงถามได้ความว่าภิกษุบำเพ็ญสมณธรรมในที่แห่งหนึ่งแห่งหนึ่งของตนมหาอุบาสิกา จึงถามว่าตนเองเจริญสมณธรรมได้หรือไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้ามิได้ทรงห้ามไม่ว่าใครๆผู้ใดสามารถทำได้หมดนางจึงเรียนเอากรมมฐานนั้นไปเจริญให้อาการ32สองเริ่มตั้งขึ้นซึ่งความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพข้อนี้คือการพิจารณากายมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้น จำเดิมแต่นั้นอุบาสิกาก็ได้ทำการสัทยายซึ่งอาการ32สองและเริ่มตั้งไว้ซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไปในอัตภาพของตนได้บรรลุมรสามผลสก่อนกว่าภิกษุเหล่านั้นเถี่ยวปฏิสัมพิทาสีและโลกิยะอภิญญาได้เกิดแก่อุบาสิกานั้นนางตรวจดูด้วยทิประจักขุใครรครวนว่าอะไรหนอแลภิกษุทั้งหลายผู้เป็นบุตรของเรา จัดบรรลุธรรมนี้แล้วเริ่มพึงต่อไปว่าพระผู้เป็นเจ้าเหล่านี้ยังมีราคะโทสะโมหะอย่างมิได้คุณธรรมแม้สักว่าฌานและวิปัสสนาญาณเลยตรวจดูว่าอุปนิสัยพระอรหันต์มีอยู่หรือไม่นางเห็นว่าอุปนิสัยมีอยู่จึงตรวจดูต่อไปว่าเสนาสนะเป็นที่สบายหรือเปล่าพบว่าอาวาส ป, ปายะ คือเสนาสนะเป็นที่สบายแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายยังไม่ได้อาหารสปายะคือยังไม่ได้อาหารเป็นที่สบายจำเดิมแต่นั้นนางได้จัดแจงอาหารข้าวยาคูอันมีอย่างต่างๆและของขบเคี้ยวเป็นอนเนกประการและโภชนะมีรถอันเลิศถวายน้ำทักษิโนโทกแล้วภิกษุบริโภคตามชอบใจเมื่อภิกษุเหล่านั้นได้อาหารอันเป็นที่สบาย จิตก็เป็นธรรมชาติมีอารมณ์เดียวแน่แน่วมีจิตแน่แน่วเจริญวิปัสนาการไม่นานก็ได้บรรลุอรหัตพร้อมปฏิสัมพิทาแล้วคิดว่านาขอบคุณมหาอุบาสิกาเป็นที่พึ่งของพวกเราการแทงตลอดมักผลก็เพราะได้อาหารเป็นที่สบายจำพรรษาแล้วไปสู่สำนักพระสัสดาทูลพระสาสดาว่า ได้อุบาสิกาคนหนึ่งชื่อมาติกะมาตาทราบวาราจิตปรุงอาหารส ป, ปายาบำรุงแล้วกล่าวสรรเสริญมหาอุบาสิกานั้นภิกษุรูปหนึ่งสะดับสรรเสริญคุณของมหาอุบาสิกาใครจะไปที่นั้นเรียนกรรมฐานและทูลลาพระสัสดาไปยังบ้านนั้นถึงบ้านนั้นโดยลำดับในวันที่เข้าไปสู่วิหารพลางคิดว่า อ, อุบาสิกานี้ย่อมรู้ถึงเหตุอันบุคคลใดๆคิดแล้วอันเราก็เหนื่อยจะไม่อาจถู ว, วิหารได้ชไหนหนออุบาสิกาจะส่งคนผู้ชำระวิหารนี้อุบาสิกานั่งในเรือนทราบความนั้นแล้วจึงส่งคนไปกวาดถู ว, วิหารฝ่ายพิกษุอยากดื่มน้ำอุบาสิกาก็ส่งน้ำดื่มตามต้องการไปให้ กลางคิดขอข้าวยาคูกแกงอ่อมในตอนเช้าอุบาสิกาก็ส่งไปให้อีกภิกษุใครอยากพบอุบาสิกามาติกาอุบาสิกาก็ไปสู่วิหารภิกษุถามอุบาสิกาว่ารู้วาราจิตคนอื่นหรือนางตอบว่าคนที่รู้จิตคนอื่นมีมากภิกษุรุกว่าไม่ได้ถามคนอื่นถามอุบาสิกานั่นหละ นางนิ่งไปไม่ตอบแล้วแต่กล่าวว่าธรรมดาคนทั้งหลายรู้จิตคนอื่นย่อมทําได้ทั้งนั้นภิกษุนั้นคิดว่ากรรมนี้หนักหนอธรรมดาปุตุชนย่อมคิดไปในอารมณ์งามบ้างไม่งามบ้างถ้าหากเราคิดถึงอันสิ่งไม่สมควรแล้วไซอุบาสิกานี้ก็พึงอย่างเราให้ถึงซึ่งประการอันแปลกเหมือนจับโจรได้ที่มวยผมพร้อมด้วยของกลางฉะนั้น คิดแล้วก็อำลาอุบาสิกากลับไปสู่สำนักพระสาสดาลำดับนั้นพระสาสดาตรัสถามว่าเพราะเหตุอันใดจึงอยู่ที่นั่นไม่ได้เธอควรอยู่ในที่นั้นหละเธอพึงรักษาจิตของเธอนั่นแหละธรรมดาจิตนี้บุคคลรักษาได้ยากเธอจงคมจิตของเธอไว้ให้ได้อย่าคิดถึงอารมณ์อะไรอะไรอย่างอื่นธรรมดาอันวาจิต บุคคลข่มได้ยากแล้วจึงตรัสพระคาถาว่าการฝึกจิตอันข่มได้ยากเป็นธรรมชาติที่เร็วมักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ภิกษุนั้นกลับไปสู่มาติกคามอีกฝ่ายมหาอุบาสิกาเมื่อตรวจด้วยทิปะจักขู ก็เห็นพระเทระแล้วกําหนดรู้ด้วยญาณของตนนั้นแล้วแล้วจัดแจงอาหารสัปปายะอันเป็นที่สบายกายแก่พระเทระนั้นพระเทระนั้นได้โพชนะอันเป็นที่สบายกายแล้วโดยสองถึงสวันเท่า น, นั้นก็ได้บรรลุอรหัตยักยังอยู่ด้วยความสุขอันเกิดแต่มรรคและผลจึงคิดว่าควรจะขอบใจมาหาอุบาสิกาผู้ที่เป็นที่พึ่งของเรา จึงใกล้ครวนตามระลึกไปตลอด99อัตภาพแม้มหาอุบาสิกานี้ก็เคยเป็นภริยาของพระเทระนั้นในอัตภาพที่99มีจิตปฏิพัทธ์ในชายอื่นจึงปลงชีวิตพระเทระพลางคิดว่าน่าสังเวชนางทำกรรมหนักแล้วฝ่ายมหาอุบาสิกานั่งในเรือนพลางใครครวนว่า ภิกษุผู้นี้เสร็จขิดแห่งบรรพชิตถึงที่สุดหรือยังทราบว่าบรรลุอรหัตแล้วจึงใคร่ครวญยิ่งขึ้นไปก็ทราบว่าแม้ในการล่วงไป99อัตภาพเราเองคบคิดกับชายอื่นปลงชีวิตพระเทระแล้วใคร่ครวญคิดไปอีกว่าเราไม่เคยทำอุปการะคุณแก่ภิกษุผู้นี้เลยหรือหนอนางระลึกได้ในอัตภาพที่หนึ่งรย ได้ให้ชีวิตเป็นทานในสถานที่ปลงจากชีวิตแห่งหนึ่งน่าดีใจว่าเราได้ทำอุปการะมากแก่ภิกษุผู้นี้แล้วนั่งอยู่ในเรือนนั่นเองกล่าวว่าขอท่านจงใกล้ครวญดูให้วิเศษยิ่งขึ้นไปเถิดพระเทระนั้นได้สดับเสียงอุบาสิกานั้นด้วยโสดทาาทิพตระลึกถึงอัตภาพที่ครบร้อยแล้วเห็นอุบาสิกาให้ชีวิตแก่ตนในอัตภาพนั้น จึงคิดว่าน่าดีใจอุบาสิกานี้ได้ทำอุปการะแก่เราดังนี้แล้วมีใจเบิกบานกล่าวปัญหาในมกสีผลสีแก่อุบาสิกานั่นในที่นั่นเองได้ปริณิพานแล้วด้วยนิพพานธาตุเป็นอนุปาทิเศษอันไม่มีเบญจขันเหลือ